สสัปปานกะสิกขาบทหนึ่งถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตยังบริโภคในสัปปานากะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุดฐาน